มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักอสุปปัญหาที่หกถามว่า คนที่ร้องไห้รักบิดามารดากับผู้ที่ฟังธรรมมีน้ำตาไหลหลังแปลกกันอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสณผู้ปรีชาบุคคลมีน้ำตาตกร้องไห้รักบิดามารดาอันกระทากาลากิริยาตายกับบุรุษที่ฝักใฝ่ในธรรม น้ำตาไหลด้วยใจเย็นยินดีนี้ข้างไหน จ, จัดว่าเป็นเภศัชอันเลิศพระนาค เ, เสดผู้ประเสริฐถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิทธพระราชสมภารบุคคลปริเทวนาการร่ำให้ด้วยราคะโทสะโมหะมีในสันดานอันเผานั้นเรียกว่าน้ำตาร้อนประการหนึ่ง บุคคลมีจิตสมุ ส, มสนสวนาการฟังพระสัทธรรมเทศนานั้นมีน้ำตาไหลประกอบไปด้วยใจเย็นยินดีดังนี้นี่แหละเรียกว่าน้ำตาเย็นก็น้ำตาเย็นนี่แหละจัดว่าเป็นเภษัชอันเลิศเหตุจะให้ทำอันประเสริฐเกิดเสวยสุขไปในอนาคตการพระราชสมภารพึงเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้ฝ่ายพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชโองคงการตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรแล้วอาสุ ป, ปัญหาเป็นคำรบหกจบเท่านี้